นี่ถึงเรียกวปัญญาในพุทธศาสนานะไม่ใช่ปัญญาที่เรียนปัญญาตีปัญญาโคนคนละอันปั้งยารอบรูในกองสอนขานปัญญาผู้อย่ับรงทุกนะแล้วก็ต้องวัวกลับ น, นั่นอันนี้เรียกว่าอีคอันนั้นเรียกไอคิววไง ใช้ป่ะต um ้องคูคู่ใช่ป่ะด um ีนะดีนะถึงแค่สมบูรแบบชีวิตถ้าคุณพลอยเชิดาชีวิตมีค่ามีราคาจริงๆเกิดมาไม่เสียชาติเกิดจริงๆเลยนะนี่ละบุญละทำบุญย่างเนียไม่ต้องเสียตัง ทำได้ตอลอดเวลาเลยนะใจดีกายดีไปทําอะไรก็มีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรนะืองไม่ต้องไปดูหมอเลยนะเนี่ยดูก็ดีแล้วไม่ต้องไปดูเราต้องดิฟชีวิตเองแล้วตอนนี้นะไม่มีพระพรมหรื <c oughs> อดวงนาวดงเดือนที่ไหนไม่มีอิทธิพลเหนือนี้ไม่ได้เลยนี่อยู่เหนืออิทธิพลของทุกสิ่งทุกอย่างหมอดูก็ดูไม่ถูก เคยไปให้ด <c ười> ูแรงมือหมอก็ดูนะครับเพราเตียนเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆดูไดูดูไปดูเขาจริงๆมันไม่เห็นนะรู้ใจเราไม่ได้หรกนะเรารู้เองเนี่ยเนี่ยถือว่ามีบุญมีวาสนาได้มาทังมิยม ศึกษาเราถือเป็นการศึกษาอย่าบังคิดว่านะเป็นการศึกษาเป็นการอ่านอ่านตัวเองดูตัวเองจำต่อเลยอ่าอานสบายเลยนะทำมาดูตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองดูตัวเองที่จริงตัวเองก็ไม่มีหรอกนะฮะฮดู ธรรมดาเราไม่ดูความรู้สึกขณะที่เราไม่ดูใช่ไหมเป็นเรารู้สึกโดยดีนะส่วนมากเปเรารู้สึกก็สบายแล้วไม่สบายรู้สึกเราสงบเก็ไม่สงบพอมาดูความรู้สึกว่าเห็นความสงบความรู้สึกมันสังบความรู้สึกมันไม่สงบไม่มีเราเนี่ยพอเห็นความรู้สึกก็ไม่มีเราเนี่ยจะตงหลวงอาจารย์พุทธทาสสวนโมกที่บอกให้ล่าโกูกของกูอ่ะนี่แหละไม่ต้องไปล่าเลยนี้ล่าเสร็จแล้วพอดูอย่างนี้ อ่านไเลถ้าบอกว่าอยากไปมีตัวปูของโกเนี่ยเราคิดว่าไม่ใช่ตัวของเราหรอทําไม่ได้หรอกทำมาแล้วทำมาแล้วตอนหลังเราเห็นนี่มันขายทอให้ดูอะนะของจริงเลยนะพิสูจน์ได้เลยเดี๋ยวเนี้ยจริงให้เราดูเลยนะธรรมดาเป็นเรารู้สึกรู้สึกแล้วเราดูอีกทีที่เรารู้สึกว่าเป็นไงเราพอเห็นเขาที่จริงมันสั่งว่าความรู้สึกเท่า ในหน้าภาวะเดิมของเราชีวเของเราพอดูนี่เรแจะว่าไม่มีทุกอยู่เนทุกอยู่เหนือสุดอยู <organised> ่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เหนืออยู่แล้วเขาไม่มีอิเล็กทรอนิกสรถถังโทรศัพมือก็ไม่มีตังดีไปสอนใ้รากรถถโทรศัพมือถอก็มีให้รักสิจะสุดไม่ใหอมีแต่ว่าถึขนาดใดที่เราไม่เห็นควารู้สึกมันมีอยเป็นเรารู้สึกอะไรรถถัโทรศัพเข้าทุกที เกตได้ดีๆนะมันค่ายมากเลยนี่แหละ เ, เรียกว่ า, าจับจุดได้เนี้นจะเลวมากไม่ตรงละอะไรเล ย, เลยแต่ก็ต้องเข้าใจอ่ะแล้วก็เป็นใจเพื่อละอล้น ะ, อ, ะอย่าเรารู้สึกว่าเราต้องละไม่ละไม่ได้นะ เนยขณะทําเนี่ยต้องมีความคิดความเห็นอะไรรู้ได้กันได้เนี่ยเราใช้หุดหีิใช้ยังทาญแล้วก็บอกตัวเองว่าตอนนี้ต่อไปไม่ต้องหุดหงิดรำคาญกับรบสัมผัสและ ไ, ไม่ต้องมีดังิดาญได้ ไ, ได้มันจะเป็นไปตามที่โตรู้ตัวรู้ว่าจะทําหน้าที่ ต้องการอะไรได้หมดแก้วสารพัดนกเหมือนแกวสารพัดนึกเลยคิดอะไรสองพาราธนาหมดลนะเนี่ยอย่นีได้ให้เป็นไปให้มันสบายเสนสายให้มันสบายนั่งสบายก็ได้สบายเลยไเห็นได้เลยครับตัวรู้ใช่รู้ได้รู้เี๋ยวรู้ทำหน้าที่เองหัใจเราว่างมากเป็น เป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่ปลูกแต่งแต่ถ้าคิดเล็กมันเป็นความปลูกแต่งนะนี่ยมาสะจั้นยิ่งๆนะเข้าใจได้นะเห็นได้นะไปชี้ให้รู้จักนะ ไม่ไดฟังว่าจาได้ไม่ใช่นะต้องดูด้วยนะชี้ให้ดูวะนะเกเทีมันคุยเกศให้ดูอ่าหรือชี้ให้ดูดูต้องดูพอบอกเี่รู้ทีไรไงเลีนรู้สึกสงบมากขึ้สมบทันทีเลยมัดูมันดูที่มีความเห็นไหมยดทันทีรูุ้ทับปัเรูุ้ัปับ เรต้องฝึกสติให้นั่าถีให้หนักแน่นให้แน่นมีอะไรเขึ้นดูปุ๊บตั้งแตฟัทันทีจะสามาออกัาดีเลเนี่ยเส้นมายเดินมาดูเป็นไปเพื่ไม่เหนื่อยแขนเบาดูเบาแขนดีเบาเนื้อเบาตัวดี ได้หมดเลยนะเป็นไปตามที่ต้องการหมดแหละถ้า ต, ต้องการอย่างนี้มันต้องให้เข้าใจนี่นะนีการเป็นการบริหารกายใจมีคุณภาพมันเหมาะแก่งา น, นแก่งงานควรแก่านงานจะนี่ชีวิตมันจะได้ไม่เบื่อไม่เซ็งอยู่อะไรจะทำซ้ำชาแก่งงานก็ไม่เบือไม่เซ็งอ่าเพรมันไม่มีคว า, ามเบือความเจงนี่มันจะไปเคย ตีด ก, กั้งเคยเจตค่กกไม่มีละถูกตัดจากไปหมดชีวิตถึงนี้ไม่มีทุกเป็นไปไม่มีทุกข์ก็พอนะนะเบาๆเป็นไปอย่างนุ่มนวลนะไม่เสียกำลังแขง เรามีความรู้สึกว่าเราต้องทําอะไรถ้าเรามีความรู้สึกเราต้องยกไปยกมานี่จะเป็นภาระรู้สึกเราต้องทําอย่างเงี้ยเป็นภาระแต่นี่เราไปทำกับงานก็เหมือนกันเราก็ดูให้รู้จักตั้หม่ด้วยเรานั่งทํำเป็นการฝึกเรียนรู้เรื่องเนี้ยเราจะจะศึกษาเข้าใจให้รู้จักแล้วแต่นี่มีอยู่กับการทำงานใจเราก็ไม่ต้องทําอะไรความรู้สึกอยู่เฉยๆ ร่างกายก็เคลื่อนไหวดีมือไม่ไม้วากใจว่างต้องการไม่เนี้ยเพราต้องการจ ะ, จะไม่บวดเพาเหนื่อยจังนักใจเบือเซ้นไม่เบือแับมีความสนุกมีความสุขอยู่กับการงานในใจทุกท่านวาทงนานได้สนุกทีความสุขอยู่ลการกับงานเคยได้อ่นะเคยไอ่นานสือถ้าเลยจะเข้าใจแต่ถ้าแบบไม่ไดชี้แนะแบบนี้ไม่ชีดูอย่างนี้ นะหลวงพ่อยายามนฟ้าเป็นไปได้ไหมโอ้โหยังเข้าใจาอ่อางศิกป์ปีอริงมาบอกเดี๋ย <c oughs> นี้ศิลป์ปีแล้วยังต้องฝึกว่ายให้สตินะต่อนเนื่องใช้หลายปีเลยใช้อีกหกเจ็ดปีนะ <c oughs> เราไปทำไปเรื่อยๆนะอายุยังน้อยหพอเจ็ดปีกว่าแลนะ้ว ถาวางเงิอนอยุบสีสิสบอ่ะพี่ดูดิเสียดายชีวิตเลยเนี่ยแล้วหลงไปแต่ไม่ได้สายเกินไปเราอย่ามองข้ามสิ่งนี้ยอดที่สุดในพุทธศาสนาทักสอนไม่มีาศาสนาอะไรเหนือวันนี้นะสูงที่สุดเนศาสตรที่สูงที่สุด เวลาทำไปทำเงยแขนแล้วผักัราไดอยู่แค่เราก็ตันดูรม่เฉดูวอยู่ใช้ได้าหมมันเรื่องมีสติตลอดเวลาและนที่เราเห็นความรูเห็นกายเห็นใจรูกายรูใจนะมีสตินะไม่ต้องไปบอกต้องมีสตินะอย่างนี่มันยิ่งไปทับอีกไปซ้อนอีกยังให้ติดปังๆ่าติ เราปบบ่อตู้ตู้รู้ได้เลยบ่อยๆนะที like anymore, ่เราเคยคิดเราบอกให้คุณสติเนี่ยงเราต้องรู้สึกนะแต่เราทีไอเราเนี่ยวัตถุจิะไปแย่งไปแย่งทำซะก่อนเแล้วทาให้เราเห็นไม่เห็นสัจธรรมไม่เห็นความจริงแต่ก็ดีหรอมันดีเราต่าีไ แต่มันไม่ดีดีดีดีดีดีสุดอันไหดีเห็นชันชันไปเลยละเอียดออนนะชีวิตเรามี่ก็ยิ่งละเอียดออนนี่ธรรมดาชีวิตเราเอียดอ่อนละเอียดอ่อนมากันนี้พรอมีโลภโทสะมันครอบนั้นมันยิ่งยากยิงมองไม่เห็นท พอดใจนี้เข้าถึงความเอียดอ่อนจริงๆ่มันจะเห็นทุกข์โอหรายนี่โอ้หทำมาได้ยังไงอยู่มาได้ยังไงนะที่ว่าสุขสุขที่จีทุกข์ไหมไม่มีสุขหรอกรเจ้าไม่เคยสอนในโลกนี้มีสุขต่มีแต่ทุกข์อะได้นว่าทุกคนกาหนดตวพเจ้าสอนแต่เรื่องทุกข์ให้เรารู้จักทุกข์แต่ก็อยู่กับทุกข์แล้วเราจะไม่ทุกข์นะ ไม่เห็บทุกข์แล้วก็ยัองอยู่กับทุกข์ไม่ไช่ให้เห็นทุกข์แสดงไม่ทุกข์อะไรงี้างทีเวลาเจ็บปวดมันไม่สบายแล้วมาเห็นก็ไม่สบายดิอย่งเงี้ยรู้สึกอย่างนี้มันก็สักก่งแล้วเป็นภาวะรู้สึกเป็นภาวะเป็นธรรมะหรือเป็นภาวะธรรมสิ่งที่ปรากฏออกมาเห็นไหมแล้วเราก็เห็นว่อาอย่างนี้เราก็ปล่อยได้วางาได้เราก็เฉยได้เนี่ยก็อย่างนี้แหละเราไปตกเอ ง, องดิ่งนะอ่า เราไม่รู้รู่มันจะดิ้งเจ็บก็รู้ว่าเจ็บไม่ใช่เราเจ็บอ่ะนะตามรู้สึกเจ็บมันสักก็จเจ็บมัจะตามเลยแต่เรารู้สึกเป็นเราเจ็บที่เราเข้าแทนที่เลยตายไปเนี่ยหมอบอกเป็นบะเร็งระยะสาม ความรู้สึกมันเองมันไม่เป็นอะไรนี่ความรู้สึกมันก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็ยังรู้สึกสบายอยู่ตอที่อยู่กับความรู้สึกสบายสบายก็ไม่ไดวตกตังบนหนไรปร่เดนค่านี่จะไม่มีความรู้สึกตังบนหรือกลัวอะไรก็ไม่มีทไมกอดไม่ได้แกอดที่ไม่รู้อย่างนี้พอรู้ว่าเป็นอะไรนี่ใจตอกึ้นยเสียความรู้สึกทันทีเลยนะโอ้เ้าจะหายวามนี้คงแย่แล้วอย่างนี่ยเป็นอย่างนี้ ไปจะรักาหายป่าวอะไรตัวไหนี้ดีมากให้มาหน้าตานี้ทุกตัวนี่นี่เลยเชนะมาเปิดแบบอยากเห็นตัวอย่างของจริงของแท้มาเปิดเผยอ่านะมไม่ใช่เรื่องอวดไม่ใช่อวดของจริงนะแต่ความรู้สึกไม่มีความรู้สึกออกมาอวดนะไม่มี พูดคางจริงไม่ฟังมพูดตามมาเป็นจริงว่านี bottom, ่มันเป็นนี่เนี้ยเชื่อโดยถ้าบวดมันยังบางทีมันไม่มีไม่มีดีแล้วบวชดีอย่เพื่อว่ามีดีแล้ววดีใชไม่ได้หาทักระโปรงไอ้ทเน่ยเอาไว้ไงปาบอ้าบาตนะราชิกนะนะ ไอเป็นภาคแล้วใช้ไม่ได้นะ